นี้ไปก็อากันตั้งใจแล้วนานนถึงจะได้มาพบกันครั้งหนึ่งก็ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึง ท, ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นดีพึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยา บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิตสุดันเตนะนาถังรัตะพติดุลพังผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึงหาได้โดยยากดังนี้ก็พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสพาสิทีิไว ก็ควรพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาปฏิบัติตามในเวลาที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจฟังโอวาทอุบายธรรมะต่างๆ จำไว้ให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็เบาบางไปใจก็ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนไม่ทุ่งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกใจก็อยู่ที่ใจ เพราะว่าใจในธรามันความอยากมันไม่รบ ก, กวนแล้วมันก็สงบอยู่แหละอันที่มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยกับพากมันอยากอ ย, ากอยาก่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรืองมันะมันหวังว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแสดงว่ามันคิดหวังพึ่งตังแต่วัตถุสิ่งอื่น นีถ้ะพูดในทางธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้งเข้าไปะองคงพุทธองค์ทรงสอนในพึ่งตนเองนี่มันก็มีหลายในในหนึ่งบุคคลผูท้ที่อยู่ในฐานะที่จะต้องฝึกตนให้ดีในทางโลก ก็ตั้งใจฝึกตนให้ดีไปตามระเบียบของชมรมของสังคมนั้นๆให้มีวิชาความรู้ใส่ตัวเองให้ได้ในเมื่อตนยังหนีจากโลกอันนี้ไม่ได้ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีคนมีวิชาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานงต่างๆ และลงมือฝึกหัดปฏิบัติตามวิชาความรู้ที่เรียนมาให้ชำนิชำนานอย่างนี้นะเมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วการลงมือปฏิบัติก็ดีทำงานก็ได้ผลน้ว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เช่นอย่างว่าคนมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดีขึ้นมันก็ได้เงินจะเป็นรางวัลตอบแทนอย่างนี้นะเมื่อบุคคลมีเงินมีทองขาแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนั่นเรียก ว, ว่าพึ่งความสามารถของตัวเองนี่เรียก ว, ว่าคุณธรรมของผู้ข้องอยู่ในโลกมันก็จำเป็นต้องฝึกตนถ้าคนเราเกิดมาแล้ว ไม่คิดฝึกตอนอาศัยตั้งแต่พ่อแม่เป็นอยู่อาศัยตั้งแต่พี่น้องเพื่อนฝูงเป็นอยู่เรวตนเองไม่ฝึกขนหาวิชาความรู้ใส่ตัวเองอย่างนี้เวลาจเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอันพ่อแม่พี่น้องจะให้เราพึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางเพื่อนก็จะต้อง บังคับให้ไปหางานทำให้เลี้ยงตัวเองให้ได้อรื่องวันโลกนี่มันจึงได้มีการแต่งงานกันมีผัวมีเมีย ม, ม, ม, มีสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเนี่ยจะไปอาศัยทพ่อแม่ตลอดจนอายุมากขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ได้เขาไม่ทำกันในโลกอันนี้นะ ยิ่งฝรั่งบังค่าแล้วเขายิ่งอายุสิบแปดปีเขาบังคับให้ไปหางานทำด้วยตนเองหาเงินหาทองพึ่งตัวเองอย่างนี้แต่คนไทยเราเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้านั้นทรงสอนให้รู้จักผู้มีอุปการะแก่ตน แล้ ว, วคิดตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั้นบ้านี้พ่อแม่เมื่อได้รับอุปการะจากบุตรธิดาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งบุตรธิดาของตนได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้บุตรธิดาของตนได้เป็นฝั่งเป็นฟ้ามีเย่ามีเรือน นู่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นะชาวพุทธชาวไทยเราจึงได้ปฏิบัติตามนี้ทอยที่ทอยอาศัยซึ่งกันและกันหือว่าบุตรธิดาเมื่อเวลายังเล็กยังน้อยอยู่ก็อาศัยมารดาบิดาเลี้ยงดูปูเสือมา มารดาวิดาส่งเสียให้ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้ต่างเมื่อจเจริญใบใหญ่โตมาวิมีวิชาความรู้มีความอุปถึกดีแล้วอย่างนี้ก็พ่อแม่เฒ่าแก่ชรามาแล้วผู้เป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่กลางงานแทนพ่อแทนแม่แต่อตอบบุญแทนคุณท่านข่าเข้าป้อนและน้ำนม ที่ท่านได้อุปการะเกือ้อคูณมานี่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทีแรกนี่พ่อแม่ก็ช่วยเหลือก่อนแหละแต่บางคนนะ่ะเห็นว่าพ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลเร ล, ลืมตัวกว่านี้ไม่เกียรเกียรคร้านทำการงานเกียรคร้านในการเรียนบ า, บางตระกูลบาง บ้านเนี่ยพ่อแม่มีเงินมีทองเอาส่งเสียให้ลูกไปเรียนลูกได้มีเงินใช้ใจ่ายการเรียนไม่เอาไหนไปคบกับคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เมื่อเวลาออกจะหยุดจากการเรียนมาก็ไม่มีความรู้อะไรติดตัวความประพฤติก็ไม่ดีอย่างนี้พ่อแม่ เฒ่าแก่ชรามาแล้วก็ช่วยเหลือลูกไม่ได้ลูกเช่นนั้นแหละก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยวันนี้นะเพราะไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีอย่างนี้จิตใจก็เลวไหลไฟแต่ทางตำคิดบำเพ็ญจนเป็นนักเลงเจ้าชู้ เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพ น, นันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้ความประพฤติอย่างนี้นในทางวัตถศาสนาเรียกว่าเป็นคนไว่ไปในทางต่ำทางแห่งความเสื่อมของชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้คิดพึ่งตนเอง เมื่อพ่อแม่เลี้ยงจเจริญไร่ใหญ่โตมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ฝึกตนให้เป็นคนดีขยันชอบการชอบทำการทำงานไม่เกียจข้าหนักเอาเเววสู้เข้าไปให้นึกถึงอนาคตของตนเมื่อตนใหญ่ก้าหน้าบ้านขึ้นมาแล้วตนก็จะได้พึ่งตัวเอง วันนี้เราก็จะให้คนอื่นได้พึ่งบ้างพูดในทางโลกอันที่กล่าวมาแล้วนั่นนะความเป็นอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยความหมั่นความขยันอาศัยวิชาความรู้ทีนี้คนเราจะไปอาศัยแต่ความเป็นอยู่ในโลกนี้โดยส่วนเดียวไม่คิดถึงอนาคตเบื้องหน้า ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความตายเป็นที่สุดทีนี้การตายแล้วหากว่าเมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไปทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างเอาตายลงกรรมดีกรรมชั่วนั้นคนนาดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สเสวยฐุกขบ้างสเสวยทุกข์บ้า ง, างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ ถ้าเมื่อครูใดยังไม่ทั้งไม่ได้พิจารณาหเห็นโทษของกิเลสต่างๆหมดนี้แล้วก็ไม่ภาคเพียรพยายามละมันอย่างนี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ไปในสงสารสเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่า การกระทําของคนเรานี่เนะี่ยมันมันเป็นผลตอบสนองแก่ผู้กระทําไม่ใช่ว่าทําอะไรลงไปแล้วนะั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตอัสไว้ว่าผู้ใดทําดีดย่อมได้รับผลดีผู้ใดทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างนี้เลยมัน หลักนี้แหละหลักสำคัญนะเพราะว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขามันไม่เห็นไปอีกอย่างหนึง่งบางพวกก็เห็นว่าการทำดีหรือทำชั่วไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะมีอยู่ในลัทธิในโลกอันนี้นะทำไปแล้วก็สักว่าจะทำแหละไม่มีผลตอบสนองให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในสงสารนี่ ไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าตายแล้วศูนนั่นแหละพ่ะอืมเป็นอย่างนั้นทีนี้บางพวกก็เห็นลงไปว่าโลกนี้เที่ยงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆบุคคลจะทำดีหรือทำชั่วอย่างไรก็ไม่ไม่มีผลตอบสนองพวกนี้กับพวกนึ่งอีกแต่ว่า เธอไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นมาลอยๆเช่นผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้หญิงมีรูปร่างสันฐานอย่างไรอย่างไรเกิดไปชาติหน้าก็เป็นอย่างเดิมผู้ใดเคยเคยเกิดเป็นผู้ชายมีรูปร่างอย่างไรก็เกิดไปชาติหน้าก็เป็นผู้ชายอย่างเดิมอย่างนี้นะพวาเห็นของคนวางพวกนะมันเป็นอย่างั้น ทีนี้ความเห็นของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งตรงกันข้ามกับความเห็นของพวกเหล่านั้นเลยอืพระองค์ทรงตรัสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสวรรค์ก็มี ให้ถึงซึ่งปานิพานก็มีมกรรมชั่วที่บุคคลทา ม, มันย่อมนำไปสู่อาบายภูมิทั้งซีอตามกำลังของบาปกรรมที่ทำนั้นถ้าทำกรรมหนักขึ้นไปพอสมควรมันก็กรรมนั้นก็นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก ถ้าหาว่ากรรมนั้นไม่หนักถึงประนันเช่นอย่างว่าผู้ที่ทำผิดศีลก็ไม่มากอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นคนตะนีไม่ได้ให้ทานอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นบ้าง ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตของตนให้ดีพอตายลงไปแล้วบาปกรรมมันไม่มากมันไม่ถึงก็จะนั่งไปสู่นรกได้มันก็นำไปให้เกิดเป็นเปรตว่านี่นะอันลักษณะของเปรตนี่ท่านกล่าวไว้ในตำรานะี่ะเป็นเปรตนี่ไม่ได้กินอาหารอิม่มหนำสำราญ อดโซเป็นคนเป็นสัตว์ที่หิวโหวยอยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่ก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากอันเปรตในท่านกล่าวไว้ในตารามีถึงสามสิบสองคำพวก น, นู่นนอ่อบางบพวกกิน อุจาราปัทาขู้ตัวเองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าน้ำเหม็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีบางเจ้าพวกก็กินลูกของตัวเองอมันสารพัดในตำ ร, ร, ราท่านเก่าวไว้นะนี่แหละยังว่าเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องที่ตกแต่งให้คนเป็นเปลิดนี่นะ บางพวกก็ไปเกิดเป็นอสุรกายต่ำก็เปรตลงไปไม่ได้เสวยทุกทนทรมานเสมอกับเปรตแต่ในในเรื่องอสุรกายนี่ไม่ชัดอันนี้นะบางจาพวกที่บาปกรรมไม่มากก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เดียวกการทำความช่วงคนเรานะยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เท่ากันเหตุฉะนั้น คันเป็นที่ไปเกิดของโอคุพุทํมรรมชั่วมันจึงว่ายิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ในมีเหตุผลน ะ, ะทำไมเราถึงจะไม่เชื่อกันเราดูกันก็ได้ปัจจุบันนี้นะบางคนก็ใจดำอามหิตมากชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมากอย่างนี้นะชอบทรมานผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ผมเหงคนอื่นตัวมีอำนาจเหนือเขาผมได้ผมเอานี่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันกรรมทั่วนี้มันตามสนองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในโลกสงสารยังไงเล่านั่นเนบางคนก็เบียดเบียนอยู่หรอกเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นไม่รุนแรงเท่าไหร่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะอืม มันแล้วตั้งแต่จริตนิสัยของบุคคลมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่เหมือนกันแม้การทำบุญกุศลความดีก็เหมือนกันนะบางคนก็ทำได้แต่น้อยบางคนก็ทำได้พอปานกลางบางคนก็ทำได้มากทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อของบุคคล ขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความฉลาดยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันนี่เช่นนั้นผู้ดใดมีปัญญามากก็ทํากุศลคุณงามความดีได้มากผู้ดใดมีปัญญาน้อยก็ทําความดีได้น้อยอศรัทธาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ต้องมีปัญญาประกอบด้วย อย่าไปเชื่อไปโดยไม่มีเหตุผลเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่งางๆอะไรมาหมูนี่นะมาถึงเข้าท่านกล่าวไว้ว่าอย่าทําตัวเป็นคนหูเบาใจเบาเชื่อง่ายได้ยวินคำสรรเสริญและนินทามา บางคนนะ่ะหูเบาใจเบาพอมีคนมาพูดถอให้ฟังว่าคนนั้นนินทาท่านคนนี้ยกโทษท่านอย่างนี้ไม่ทันได้สืบสวนไม่ท่า น, นได้สืบสาวเราเรื่องต่างๆเหล่านั้นอนะ่ะโกรธแล้วไม่ทันอะไรอย่างนี้แหละโกรธแล้วหาทางแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเป็นจริงแค่ไหน ก็ไม่รู้ถ้าอยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันแล้วอันนี้แ่ะท่านโบราณท่านว่าคนหูเบาใจเบาผู้ผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆต้องใจคอหนักแน่นเมื่อได้มีเสียงสรรเสริญลนินทามาเราต้องอดทนซะก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงหนอเนี่ย วังไปสืบสวนไปค้นหามูลเหตุมันไปมันเป็นจริงหรือไม่หนออย่างนี้นะแต่บางอย่างก็อาจจะมีคนกลางไปสอเสียดให้ก็ได้ปั้นเรื่องไปสออเสียดให้คนทะเลาะกันก็ได้อย่างนี้นะนั่นแหละถ้าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยุให้ทะเลาะกันเปล่าๆานี่มันก็หายโกรธ มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกันก็เป็นเรื่องยุ่แย่กันต่างหากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีใจคอหนักแน่นท่านยังว่าการทำสมาธิภาวนา น, นี่นะก็เพื่อที่จะฝึกใจให้หนักแน่นนั่นเองนะนั่นนะคำว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่นเนี่ยก็ฟังเอาเป็นไงะ มันิใจเราตั้งมั่นหรื อ, อยังอะ่ะทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทอกระทั่งมานะมันวนไหวไหมมันคิดได้รู้ทันไหมหรือว่ามันวู่วามไปเลยพอได้ยินเรื่องไม่พออกพอใจอะไรมาเนยะมันปุ่งไปเลยอย่างนั้นเหรอเี่ทุกคนนะี่ยต้องรู้ตัวเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะ เมื่อรู้ว่าอืจิตใจตัว น, นี้เมื่อเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆกระทบกทั่งมามันยังดิ้นโลนฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แสดงว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพอออย่างงั้นก็ต้องรู้ตัวพอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็พยายามทําสมาธิให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นออบําเพ็ญตะปะทําให้มันแก่กล้าขึ้นไป โดยตั้งความอดทนไว้ในใจให้มากอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกที่มันเป็นไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นนมันจะเบนไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษตรงนี้เราอดทนอดกั้นไม่วันไหวไปตามไม่ไม่ไม่คิดไม่ปรุงไป ตามอารมณ์ที่เป็นโทษนั้นฝึกตนเบื้องต้นนี้ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นซะก่อนในเมื่อตนยังไม่สามารถที่จะทําทจิตให้สงบแ น, น่วแน่ลงไปได้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจความอดทนนี่นะชื่อว่าเป็นจปะธรรมแม้ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิแต่ เรื่องอะไรกระทุกระทั่งมาเราอดเอาทนเอาเราเราไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้เป็นไปทางเสียเสียหายหายอย่างนี้นะในที่สุดมันก็เอาชนะความชั่วเหล่านั้นได้เราอดกั้นทนทานไปความชั่วเหล่านั้นมันกลระงับไปเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้พากันเข้าใจ อันนี้เรียกว่าเราละกิเลสด้วยอำนาจแห่งขันติธรรมอดทนทีนี้เมื่อเราอดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปไอ้กิเลสอยากๆมันก็รบกวนจิตใจให้พุ้งสร้างไม่ได้เราจเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ส ง, งบลงได้ง่ายแบบนี้นะ เพราะว่ากิเลส ท, ท่านหยาบๆยาบอันมันให้จิตคิดไปทางอกุศลต่างมันระงับไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทนการทำสมาธิมันจึงเป็นไปได้สะดวกกว่า น, นี้นะเพราะมันยังเหลือแต่กิเลสอันอย่างกลางอย่างอ่อนเมื่อเราเพ่งเข้าไปแล้วมันก็สงบลงไปเองมัน มันไปนอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไอ้อุบายวิธีฝึกจิตนี่นะบางคนเมื่อทำจิตลงไปแล้วมันไม่สงบแล้วก็ท้อใจเอ๊ะเราเนี่ยทำไหมยังจิตไม่สงบสักทีอย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนแล้ววันนี้ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปอย่างนั้นนั่นไม่ถูก เมื่อเราทำโน้มสติเข้าไปหวังให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้นะจิตมันไม่ยอมสงบมันจับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาคิดมาปรุงมาแต่งอันนี้ผ่าเกลี่ยเพ่งวินิจอย่างไรมันก็ยังรวมลงไม่ได้อย่างนี้จิตนะเอากบเพ่งกันได้ปะนี้ทางเพ่งกับเพ่งทางอดกั้นกับอดที่นี่ เราจะอดแบบนี้เนะี่ยเราจะไม่คิดอืมาศัยฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็อดกั้นความคิดแล้วแบบนี้อดไปอดมาเข้าความอดมันมีกําลังแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เผากิเลสที่ใจยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นนะ่ะอืมให้เล่าร้อนนะเมื่อกิเลสเล่าร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ถอนออกไปนั่นไนงะ นั่นและผู้ที่มีความเพียนเพ่งพินิษ์อยู่นั่นนะเมื่ออำนาจของขันติธรรมอำนาจแห่งความเพ่งนะ่ะมันผักการกิเลสให้ถอนออกไปจากดวงจิตนี้แล้วกิเลสมันจะแสดงบทบาทอย่างไดอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามันเกิดเป็นดิมิตขึ้นมาเนี่นนะนั่นเนี่ย เกิดเป็นอุทานอิมิตรปรากฏเห็นรูปคนรูปสัตว์หรือเห็นสีต่างๆแสงต่างๆบางทีก็ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวอะไรหมอนี่นะะเมื่อเมื่อปรากฏเช่นนั้นมันก็ทำให้จิตใจนั้นสักจะลวนเละไปแล้วไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ เมื่อเห็นนิมิตต่างๆมันแสดงออกถ้าเป็นนิมิตที่น่ากลัวมันก็กลัวไปถ้าเป็นนิมิตที่น่าเพิดเพลินจเจริญใจมันก็เพิดเพลินไปตามนิมิต น, นั้นๆ อ, อย่างนี้บุคคลใดเพื่อถ้าหากว่าเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้เท่านิมิตนั้นจิตใจก็ฟุ้งไปใหญ่สงบลงไม่ได้อีกเหมือนกัน ดันั้นถ้าผูดด้ใดภาวนาไปแล้วเพ่งจิตลงไปแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาต้องรู้เท่าอย่าอย่าหลงไหลไปตามนิมิตนั้นต้องทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันว่านิมิตที่มันเกิดไปจากไหนอย่างนี้นะเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาเอาเกิดไปจากจิตนี่แหละจิตนี่แหละรู้จิตนี่แหละเห็นอย่างเนี้ย ไม่ใช่มันมาแต่ภายนอกมันออกไปจา ก, กจิตนี้จิตนี้แหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการเข้าใจเรื่องนิมิตต่างๆนิมิตเหล่านั้นมันก็เป็นด้เพียงสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป เมื่อเราไม่ใส่ใจกับมันแล้วมันก็ดับแต่ถ้าหากว่าเราใส่ใจแล้วอย่างนี้มันจะไม่ดับลงเมื่อใจเราไปเพ่งเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่ง อ, อบานปลายออกไปเรื่อยๆเรืเ่างนั้นนิมิตที่น่ากลัวมันก็จะเป็นเป็นนิมิตที่น่ากลัวยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจิตเราส่งไปตามนะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นต้องให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมากาหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวไมใ่ใส่ใจกับนิมิตอ น, นั้นนิมิตเหล่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปแต่อย่างนั้นดังนั้นต้องให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว นิมิตทั้งหลายดับลงไปแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งบ น, นี้จิตรวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตสงบลงไปอย่างละเอียดเมื่อนิมิตทั้งหลายดับลงสัญญาอารมณ์ที่เป็นอริตนะอนาคตันดับลงไปอจิตมันก็รวมลงละเอียดลงไปกว่าเก่าลมหายใจมันก็เบาลงไปเรื่อยๆ ให้สันนิษฐานดูตรงนั้นการภาวนานะถ้าจิตมันรวมลงจริงๆลมหายใจมันจะละเอียดเข้าไปมากทีเดียวถ้าลมหายใจยังแรงอยู่ในจิตสงบลงไม่ได้สงบก็สงบอยู่ในอารมณ์ที่หยาบๆมันก็ไม่เรียก ว, ว่าไม่อยู่ได้ดานนะอนอนหนึ่งก็ พิกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกจิตนีลเให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารส่วนมากเราไม่ ไ, มได้ฝึกใจให้สงบระ ง, งับเหตุดังนั้นเกิดมาในโลกนี้นะจึงว่าทุกคนให้สังเกต ต, ตัวเองง เกิดมาเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอกิตใจถูกตัณหามันจูงไปอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเลยนั่นแหละใจที่ไม่ได้ฝึกมาแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้น